สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทเรียนจากสุสภาษิตในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่1ิข้อดถึงครับสุภาษิตบทที่19 8ข้อถึง14โปรดฟังประวันะของพระเจ้าบุคคลที่ได้ปัญญาก็รักตนเองบุคคลผู้รักษาความเข้าใจไว้จะจำเริญรุ่งเรือง พยานเทศจะไม่รับโทษก็หาไม่ได้บุคคลที่เปล่งคำมุสาจะพินาศที่คนโง่จะอยู่อย่างฟุ่มเฟือยก็ไม่เหมาะอยู่แล้วที่ทาาจะปกครองเจ้านายก็ยิ่งไม่เหมาะมากกว่านั้นอีกสามัญสำนึกที่ดีกระทําให้คนโกรธช้าและที่มองข้ามการทรยศไปเสียก็เป็นศักดิ์ีแก่เขา พระพิโรธของพระราชาเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่มแต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้าค้างบนผักยาบุตรโง่เขาเป็นความพินาศของบิดาของเขาและการทะเลาะวิวาทของพัญญาก็เหมือนน้ําฝนย้อยหยดไม่หยุดเรือนและทรัพย์สิงคารเป็นมรดกจากบิดาแต่พัญญาที่อย่างรู้ก็มาจากพระเจ้า พี่น้องครับผมจะขอเริ่มในข้อที่8เลยคาว่าปัญญาในความหมายนี้หมายถึงจิตสำนึกตามคำแปลของภาษาเดิมบุคคลที่ได้ปัญญาก็รักตนเองมีความหมายว่าการดำเนินชีวิตของคนที่มีจิตสำนึกที่ดีหรือการดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกที่ดีก็แสดงว่าคนนั้นรักวิญญาณจิตของตัวเอง พี่น้องครับตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าจิตสํานึกที่ดีนั้นก็อยู่กับคนดีแล้วคนดีก็จะดําเนินชีวิตด้วยจิตสํานึกที่ดีจิตสํานึกที่ดีก็คือจิตสํานึกที่รู้จักตัวเองและรู้จักคนอื่นรู้จักถึงความต้องการของตัวเองและรู้จักถึงความต้องการของคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่ใช่เป็นการหลงรักตัวเองและโดยไม่หลงรักคนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือการสอน ที่สอดคล้องกับคําสอนของพระเยซูก็คือว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองอย่ามองแต่ความต้องการของตัวเองให้มองความต้องการของคนอื่น <c oughs> ด้วยจิตสํานึกที่ดีพี่น้องครับการมีจิตสำนึกที่ดีหรือการรักตัวเองนั้นก็คือการสนใจในจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งชีวิตของตัวเองเพราะนั้นคนที่มีสติปัญญา คนที่มีจิจตสํานึกที่ดีเขาจะเฝ้าระวังเฝ้าระวังอะไรครับเฝ้าระวังรักษาความเข้าใจของตัวเองเฝ้าระวังความคิดของตัวเองเฝ้าระวังอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเฝ้าระวังวิญญาณจิตของตัวเองและคนเหล่านี้ครับเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองไม่เพียงแต่จิตใจวิญญาณอารมณ์เท่านั้นแต่จะจำเริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุสิ่งของด้วย เพราะว่าทุกอย่างของเขานั้นมันเอื้อเฟื้อต่อการทำหากินและเขาจะได้รับเกียรติยศสง่าราศีในที่สุดข้อ9าครับพยานเทศจะไม่รับโทษก็หามีได้และบุคคลที่เปล่งคำมุสาจะพินาศข้อนี้จบด้วยข้อความที่ดีครับคือคนที่เป็นพยานเทศจะพินาศนั่นหมายความว่าข้อความดีนี้ทำให้เรามีความหวังครับเพราะว่าถือว่าเป็นข้อความเชิงบวกเพราะ เพราะอะไรครับเพราะพยานเทศจะหนีไม่พ้นความพิรุนาาความหายนะนะครับความคิดนะครับแบบนี้นะครับเรื่องของพยานเทศนั้นถูกย้ำเตือนหลายครั้งทีเดียวในพระธรรมสุภาษิตดังนั้นเองจึงต้องนำมาระวังครับจึงต้องรำมาระวังที่จะไม่เป็นพยานเทศและถูกใครใช้เป็นเครื่องมือในการส่งความเทศ็ศถ่ายทอดความเท็จต่อกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนินทาครับนินทาต่อเนื่องในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงก็เทียบเท่ากับการเป็นพยานเท็จข้อส0บครับคนโง่จะอยู่อย่างฟุ่มเฟือยก็ไม่เหมาะสมถ้าจะปกครองเจ้านายก็ยิ่งไม่เหมาะมากกว่านั้นอีกพี่น้องครับคำว่าการอยู่อย่างฟุ่มเฟือยก็คือชีวิตที่ดีชีวิตที่หรูหราชีวิตที่มีเกียรติชีวิตที่เพลิดเพลินภาคภูมิใจ ในเกียรติยศและการยกย่องที่มาจากคนอื่นสิ่งเหล่านี้ครับพระันภีบอกว่าไม่เหมาะสมกับคนโง่คือพูดง่ายๆว่าเขาไม่สมควรที่จะรับสิ่งเหล่านี้แต่พี่น้องครับก็มีบางครั้งเหมือนกันที่คนโงน่นำดำเนินชีวิตอยู่ในความหรูหราแต่ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าอิดฉาคนโง่ที่ได้รับการยกย่องครับอีกสถา น, นการณ์หนึ่งที่พันภีกล่าวในวันนี้ก็คือธาต ที่ได้ปกครองเจ้านายก็เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกันไม่สมควรเช่นกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทาดขาดคุณสมบัติและเขาไม่สมควรจะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นําการที่ทาดอยู่ในตําแหน่งผู้นําจึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นพระกัมพีกําลังสอนหลักการเกี่ยวกับการจัดวางคนให้เหมาะสมครับจัดวางคนให้เหมาะสมกับงานที่ฝรัง่งเขาเรียกว่า put the right man in the right job นั่นเอง ข้อ11และข้อส2สสามัญสำนึกที่ดีกระทําให้คนโกรธช้าที่จะมองข้ามการทรยศไปก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขาพระพิโรธของพระราชาเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่มแต่ความปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนผักยาพี่น้องครับคนที่มีสามัญสำนึกที่ดีหรือ common sense นั้นเขาจะโกรธช้าเขาจะคิดอครอบคอบ การโกรธช้านี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีสติปัญญาและผู้นําหรือกษัตริย์หรือผู้ปกครองบ้านเมืองหรือผู้ปกครองคนในองค์กรต่างๆคนเหล่านี้จะต้องมีความรอบรู้ความเข้าใจและความรอบรู้ความเข้าใจการคิดอย่างรอบคอบนั้นฐานแค่โกรธช้าไม่หุนหันพันแล่นครับไม่หุนหันพันแล่นไม่ปล่อยให้อารมณ์ความโกรธนั้นเป็นเจ้านายครอบครองชีวิตของตัวเองและอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์ความโกรธนั้นส่งผลต่อการปกครองคนของเขา นี่และครับกษัตริย์จะต้องมีสามันสำนึกที่ดีผู้นำผู้ปกครองในทุกๆระดับในองค์กรสถาบันต่างๆนั้นก็ต้องมีสามัสามนสำนึกที่ดีไม่โกรธช้าและการที่มองข้ามการทรยศไปก็ถือว่าเป็นศัก์รีครับก็คือไม่มุ่งเน้นหรือโฟกัสในเรื่องหยุมหยิมนะครับบุคคลที่ไม่หุนหันพันแล่นไม่ปล่อยให้อารมณ์ความโกรธเข้าครอบครองก็จะสามารถปกครองคนอื่นได้ ผู้นำต้องไม่อารมณ์เสียบ่อยๆนะครับหรือไม่ถูกทำให้อารมณ์เสียโดยคนหรือคำพูดของใครบางคนเมื่อเขายั่วยุต้องการให้เราโกรธเราต้องควบคุมตัวเองได้ใจต้องหนักแน่นเราต้องมองข้ามความผิดหยุ่มยิม้มนั่นแหละครับถือว่าเรามีคุณสมบัติและสมควรเป็นผู้นำและได้รับการยกย่องอารมณ์ที่ไม่ได้ถูกควบคุมปรากฏออกมาก็คือความโกรธง่ายซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะของผู้นา และนี่คือศิละปะการปกครองตัวเองในโรงเรียนของพระเจ้าครับพี่น้องนี่คือศิละปะแห่งการปกครองตัวเองในโรงเรียนของพระเจ้าและ <c oughs> ผู้นำก็ต้องไม่คุยโม้โ อ, อวดอวดดีอวดเก่งซึ่งไม่ใช่มีวิถีของเขาผู้นำต้องเป็นคนอย่างรู้สุด ข, ขุมรอบครอบมองข้ามความผิดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆหรือไม่ถูกยั่วยุจากคนอื่นให้โกรธง่ายควรที่จะไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เป็นเหมือนกับน้ำค้างบนผักยาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราสามารถที่จะไม่โกรธนะครับลูกน้องของเราก็จะมีความรู้สึกชุ่มชื่นใจข้อ1 3บ4ครับ2ข้อสุดท้ายบุรโง่เขาเป็นความพินาศของบีดาและการทรวิวาดของพัญญาก็เหมือนน้ำฝน ย, ย้อยหยดไม่หยุดเรือและทรัพย์สลิงคารเป็นมรดก มาจากปิดาแต่พรรยาที่อย่างรู้ก็มาจากพระเจ้าพี่น้องครับสองข้อนี้พูดถึงเรื่องของลูกกับเรื่องของภรรยาสำหรับผู้ชายแล้วไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่ามีลูกที่โง่เขลาเบาบัญญัติและมีภรรยาที่ขี้ทะเลาะวิวาทคำว่าทะเลาะวิวา ด, วาววาดนั้นฟั่งพี่เปรียบเหมือนกับน้ำฝนหยดย้อยไม่หยุดจริงๆแล้วก็คือว่าหมายความถึงภรรยาที่ชอบหาเรื่องภรรยาที่จุกจิกกับสามี พี่น้องครับภรรยาที่ชอบหาเรื่องภรรยาที่จุกจิกกับสามีก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนบ้านนะครับให้กลายเป็นคุกเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยไปเสียแล้วเดิมทีนั้นบ้านเป็นบ้านแห่งความปลอดภัยเป็นโฮมนะครับไม่ใช่เป็นแค่เฮาส์ดังนั้นเอง ภรยาที่ชอบหาเรื่องจุกจิกกับสามีก็เปลี่ยนครอบครัวซึ่งเป็นบ้านแห่งความปลอดภัยเป็นบ้านแห่งความสุขสงบเป็นบ้านที่สามีคาดหวังไปเป็นสถานที่ที่โกลาหลวุ่นวายจนสามีไม่สามารถพบกับการพักผ่อนไม่สามารถพบกับความเพิดเพลินในบ้านได้เช่นเดียวกันครับลูกที่โง่เขาก็ปล้นความเพ้ิดเพลินความภาคภูมิใจและการสนับสนุนของครอบครัวไปการดาเนินไปของครอบครัวอย่างมีความสุขก็ หายไปครับพี่น้องครับคนที่เป็นลูกเราต้องคาดหวังมรดกจากปิดานั่นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นลูกเองนั้นต้องทําตัวเองให้ฉลาดและมีเสียิปัญญาเพื่อที่จะรองรับมรดกของพ่อแม่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและจะต้องไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจยด้วยครับเพราะว่าเพื่อที่พ่อแม่นั้นจะได้จดจ่ออยู่กับการทําหากินนะครับในที่สุดมรดกก็จะเป็นตกเป็นของท่านซึ่งเป็นลูกหลานเองพี่น้องครับการได้ลูก ที่มีสติปัญญาการได้ภรรยาที่ดีที่เรียกว่าเซนซิเบิลวิฟไม่หมายความว่าเป็นภรรยาที่ไวต่อความรู้สึกของคนในครอบครัวก็ถือว่าสามีคนนั้นได้รับของประทานที่ดีจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นนั่นเป็นคำอธิษฐานของผมที่มีต่อทุกทุกท่านนะครับที่ขอพระเจ้าช่วยเราประทานให้กับเราที่จะมีลูกที่ดีและภรรยาที่ดีอามีน